ไยพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจดวงเดียวเท่านี้แล้วคนดัางคนเป็นสิ่งสำคัญร่างกายไม่สำคัญเท่าจิตคนส่วนมากกับไปบำรุงแต่ร่างกายทนุทน้อมแต่ร่างกาย แต่จิตตรงนี้ไม่ค่อยคำนึงถึงไม่ค่อยควบคุมให้เข้าใจว่าข้อวัดปฏิบัติ ต, ต่างๆมือนี้ล้วนแต่เป็นอุบอายฝึกค้นจิตนี่ทั้งนั้นเลยต้องให้เข้าใจ เช่นนอนตื่นดึกลุกเช้าทาวรรัดสวดมนต์ฟังธรรมทาสมาธิภาวนาลองคิดดูสิเพื่ออะไรล่ะนนก็เพื่อปึ ก, กจติตตรงนี้ให้มันตื่นจากความหลับความไหลคือความที่สำคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตน แล้วก็มาห่วงเห็นมาธนุบำรงมันอยู่โดยส่วนเดียวแล้วไม่ตื่นตัวว่าร่างกายอันนี้มันจะแตกจะดับมันจะชำรุดสุดทรมไปเช่นนี้นะไม่ตื่นตัวถึงก็นอนหลับนอนไหลตาไอาใจก็หลับ หลงไหล ร, ร่างกายก็ปล่อยให้มันนอนหลับเอาซะไม่รู้จักตืน่นยินเดีแต่ความหลับความนอนนี่อันนี้นะทันเรียกว่าเป็นผู้ประมาทเกิดมาทั้งชาติแล้วกลัวจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ของง่าย กาจะได้มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนานี่ก็ไม่ใช่ง่ายนักคนไม่มีบุญวาสนาไม่เคยอบรมมาแต่ก่อนแล้วก็ไม่ไม่นับถือไม่เลื่อมใสอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่หมู่นั่นแหละสุดท้ายการที่จะมีศรัทธาได้มาบวชนี่ก็ไม่ใช่ของง่ายถ้าบุญไม่มากพอสมควรนี่ มาบวชไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นนักบวชนี้ย่อมตั้งอยู่ในวินัยระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้หากว่าผู้ใดไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพระวินัยได้อย่างนี้เมื่อกบวชไม่ได้ถึงแม้บวชมาแล้ว เกิดความประมาทไม่ปฏิบัติตามพระวินยัยก็อยู่ในเพศพรหมจรรย์นี้ไม่ได้ยังก็เป็นอย่างนั้นการที่เรายินดีพอใจปฏิบัติตามธรรมตามวิมนัยให้เต็มความสามารถเนี่ยนพบว่าเป็นบุญญาลาภของเรานะกิเลสมันก็จะได้เบาบางไปให้พาคนทําความยินดี ในการปฏิบัติตามพระวินัยอย่าไปถือว่าเป็นของยากเป็นของลำบากมันจะยากอะไรถ้าใจเราเชื่อแล้วเราพอใจแล้วกันพอใจแล้วมันไม่ยากเลยดูแต่คนทําความชั่วเป็นไรล่ะเมื่อันพอใจในการทําความชั่วนั้นแล้ว มันไม่ถือว่าเป็นความยากลำบากเช่นไปพยายามโน้มมองรักขโมยของคนอื่นอย่างนี้นะแสนยากแสนลำบากกลัวจะได้ของเขามาก็ดีเลอไปพยายามฆ่าผู้อื่นให้ตายอย่างนี้นะ ก็ต้องลงทุนลงแรงพยายามเต็มที่เลยกลัวจะทำชั่วนั้นได้แต่มันก็ยังพอใจทำคิดดูทั้งที่รู้อยู่แล้วทุกคนยอมรู้ว่าเป็นบาปเป็นกรรมแต่เมื่อมันพอใจแล้วอย่างนี้บาปก็ยอมรับกรรมก็ยอมรับจะไปตกนรกสกีหลุมก็ยอมไป นี่นะเราอยัางทำได้อันนี้เราทำคุณงามความดีปฏิบัติตามธรรมตามวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะยากลำบากในเบือเบ้องเบ้งตนแต่ไปตนปลายนั้นจะได้รับความสะดวกสบายในเมื่อทำละกิเลสให้น้อยเบาบาง ออกไปจากจิตใจแล้วก็ได้ความสบายใจจิตใจนี่ก็เป็นอิสระเสรีไม่ตกเป็นท่าแ่งกันหาก็ได้อยู่อย่างสบายสบายอยู่อย่างสงบอย่างที่เป็นนักบวชนี่นะ่ะะลองพิสูจนดูตัวเองว่าตนเองได้ลำบากรกรารมอะไรบ้างนี่ เมื่อยินดีปฏิบัติตามพระวินัยแล้วเมื่อสำรวมในพระวินัยเช่นอาบัติปาราชิกอย่างนี้นะไม่ต้องอก็ไม่ได้ศึกจากเป็นจากพระภิกษุไปเป็นครือหัดไปทนทุกข์ทรมานอย่างว่านันแหละไม่ต้องอาบัติสังฆาธิเศษ เมื่อสำรวมในอาบัตสังกาทิเศษไดราคะตันหามันก็ครอบความจิตใจไม่ได้โทสะความโกรธความเบียดเบียนกันก็ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท้วยว่าโกรธขึ้นมา้วเพียงแต่เงือ่อมือขึ้นจะตีเท่านี้นะก็เป็นอาบัตปาจิตตีแล้ว กตลองสังเกตดูสิพระพุทธเจ้าวรรยทธามก็เพื่อบรรทันความโกรธให้น้อยเบาบางมาให้บุคคลรู้อํานาจแก่ความโกรธนั่นเองความโกรธมันก็จะได้น้อยเบาบางลงไปอืเ mm. นี่ต้องคิดดูให้ดีแล้วถ้าผู้ใดระ ง, งับความโกรธได้ไม่ได้มันไม่ใช่เงื่องมือธรรมดาแล้วมันตีลงลงไปเลย เมื่อทุบตีลงไปแล้วมันมันจะเลยเป็นโทษถึงทางกฎหมายนู่นถ้าฝ่ายฝ่ายถูกตีเอาเรื่องอย่างนี้ไป แ, แจ้งความต่อตำรวจตำรวจเขาก็ต้องดำเนินงานไปตามกฎหมายมรพระพุทเจ้าวันยัติข้าบทนี้ไยนันะดีแสนดีนะพากันศึกษาพากันเคารพยินดีปฏิบัติตาม แล้วกิเลสตอนนี้มันก็จะน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจในแบบบุคคลผู้ตกเป็นทาสของกิเลสดังกล่าวมานั่นนะจะเป็นอิสระเสรีได้ย่างไงอ่ะหาไปกิเลสมันหนาแน่นเข้าไปล่วงกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ไปติดคุกติดตารางอย่างงี้นะหาเป็นภิกษุสามเณรอย่างนี้ถ้าขืน ไม่สำรมรวมตนต่อไปสแสดงบทบาทแห่งความโกรธออกมาอย่างร้ายแรงนี่คงอยู่กับหมู่ไม่ได้เลยเพราะว่าการเป็นนักบวชนี่ต้องเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครต้องไม่รู้อำนาจแก่ความโกรธ ถ, ถึงจะเป็นนักบวชได้ต้องรู้จักให้อภัยต่อบุคคลอื่นอาจัรย์อื่นที่มาเบียดเบียนตนตนไม่ตอบโต เป็นนักบวชต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นนักบวชที่แท้จริงเนอะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ไมเป็นเช่นนี้แล้วกิเลสมันก็ไม่แห้งเลยไม่เบาบางการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ในทางธรรมทางวินัยมันก็เป็นอุบายกาจัดความหลงความไม่รู้ให้เบาบางไป นี่นะกิจกรรมที่เราทําอยู่นี่มันล้วนตั้งแต่เป็นเครื่องชํามละกิเลสให้เบาววางออกไปเลยอย่าไปถือว่าการปฏิบัติตามพระวินัยเป็นของหนักเป็นเรื่องลําบากในการที่บุคคลไปร่วงวิยัยหรือว่าไปทําบาปกรรมอย่างนี้อย่างหนึ่งอย่างหนักเข้าตายแล้วไปตกนรกมันยิ่งลําบากกลัวการ อดทนปฏิบัติตามธรรมตามวินัยและบาปกรรมคมชั่วออกจากกายวาจาใจนี่แม้ว่าจะทุกข์ยากลาบากก็เพียงแต่เสี้ยวหนึ่งของความทุกข์ในนรกอบายภูมิให้คิดดูให้ดีหรือว่าเป็นทุกข์ขนาดยี่สิบเปอร์เซ็นของผู้ครองเรือนเท่านั้นเองเนี่ย ผู้ครองเรือนเป็นทุกข์้ายกลัวนักบวชขนาดแปดสิบเปอร์เซ็นนั่นแหละลองคิดดูสิชีวิตของนักบวชว่าแต่บรรเทาตัญหาตัวนี้ลงได้แล้วมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรนะจะทุกข์อะไรล่ะเพราะว่าการงานอะไรก็ไม่ได้ทําไม่ได้กรัพฝนทนแดด ไม่ได้ห่าบได้หามของหนักของหนาอะไรก็อลองคิดดูอืะอันที่มันบวชมาแล้วมันอยู่ไม่ได้นั่นเนี่ยมันก็เพราะว่ารู้อำนาจแก่ตัณหาไม่พยายามละตัณหาในหัวใจออกไปเมื่อตัณหามันจูงใจให้อยากได้อะไรอยากเป็นอะไรกอดพอใจกับมันไปอย่างนี้นะ โดยที่ไม่ได้ทวนกระแสะของตัณหาเลยตัณหามันจูงใจให้คิดพอใจไปไงก็พอใจตามมันไปเช่นนี้แล้วมันจะประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ยังไงอ ะ, อะเรื่องตัณหานี่มันก็ให้จูงใจให้ทำความพอใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส อันเป็นที่น่ารักใครพอใจนั่นเองนมันมันจะหนีจากนี้ไม่ได้เลยความชอบใจความอยากของตัณหาเนี่ยแครองพี่นาดูความยินดีพอใจในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะเมื่อได้รูปอันนั้นมาแล้วมันมีความสุขขนาดไหน เอาพินาดูอย่างเช่นพวกที่คลองเรือนมีผัวมีเมียอยู่นั่นนะ่ะมันมีความสุขขนาดไหนลองพินาดูสิมันมีความทุกข์อย่างไรบ้างแถมถ้ามีผู้มีบุญวาสนาน้อยมันยิ่งทุกข์หลายข้าวจะกอกหม้อ ก, ก็ไม่มีบางวันนะ่ะหาเช้ากินขําหาขํากินเช้า อย่างนี้นะแล้วมันจะมีความสุขตรงไหนการบวชมาเป็นนักบวชแล้วก็นั่งภาวนานั่งสร้างวิมานบนอากาศว่าเราศึกไปแล้วเราจะต้องไปทำงานอย่างนั้นทำงานอย่างนี้แล้วจะได้เงินมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วจะไปปลูกสร้าง อาคารสองชั้นสามชั้นอยู่แสนสุขแสนสบายอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปมีร ถ, ม, รถมีราคันงามๆขี่แล้วอยากไปไหนก็ไม่ต้องลำบากนั่งไปเฉยๆ นี่นักบวชนี่เมื่อกิเลสตันหาครอบงำแล้วมันจะสร้างวิมานบนอากาศอย่างนี้แหละแล้วคันสึกออกไปแล้วตัวมีบุญวาฒนาน้อยนะหาอย่างไรมันก็ไม่ได้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ที่วาดไร้ตั้งแต่เป็นพระเป็นเนนอือก็มีแต่ความทุกข์ทันเลสต่อไปแบบนี้ก็มีแต่ความทุกข์ปปนกทนทรมาน ยิ่งกุ้มใจใหญ่เมื่อนึกทบทวนดูแล้วโอ้ยเราบวชอยู่นะมันสุขสบายแท้นะทำไมหนอจึงมาหลงกลของตัณหาอย่างนี้นึกเท่าไรก็ยิ่งกุ้มใจไปเท่านั้นอย่างนี้แหละดังนั้นผู้บวชเข้ามาแล้วนะคิดให้มันดีพิจารณาให้มันละเอียด ก่อนจะตัดตัดสินใจสึกขาลาเพศไปก็ดีตนนั้นต้องการความสุขหรือต้องการความทุกข์ต้องตั้งปัญหาถามตนให้ดีถ้าว่าตนต้องการความสุขแล้วสุขชนิดไหนบารีที่เราต้องการนะอืแต่ส่วนมากมันก็สุขในกรรมคุณนั่นแหละได้เมียงามงา ม, งาม ได้บ้านหลังงามงามได้รถคันงามงามมาขีมีเงินมากๆหน่อยได้ฝากธนาคารไว้เก็บดอกเบี้ย ม, มาใช้สอยนั่นและถือว่าเป็นความสุขความมุ่งหมายเนะี่ยมันเป็นงั้นแต่แล้วถ้าคนไม่มีบุญมากพอสมควรนะี่ะมันไม่มีทางจะได้คิดดูให้ดี อย่าไปคิดให้ยุ่งสมองก็แล้วกันไอคนทุกวันนี่นะซึ่งมีบุญมากนั้นมีน้อยนั่นแหละต้องคิดให้ดีอย่างที่เราหนีจากบ้านเรือนมาบวชนี่นะก็พอรู้ได้แล้วว่าฐานะของเราเป็นยังไงบุญเราเป็นยังไงไม่ต้องคิดยากอะไรนะนั่นแหละเราไม่ใช่มาจากตระกูลเศรษฐีนี่มาบวชอยู่เนี่ย ส่วนมากก็มาจากตักกูลชาวนาชาวสวนที่มาจากพ่อข้านี่ก็มีน้อยแล้วการเป็นชาวนาชาวสวนน่ะเป็นยังไงอ่ะก็พิจารณาดูให้ดีเมื่อผู้ใช้ปัญญาพี่รณาแล้วมันย่อมเห็นได้ว่าการเป็นชาวนาชาวสวนก็พอประมาณเนียมีความมีชีวิต พอประทังประทังไปมีความสุขกระสุขไปชั่วเล่นเหมือนจ้างวามหูงูแลับริ้นจะให้มันได้รับความสุขทาง จ, จิตใจสม่าเสมอไปไม่มีเพราะว่าตนมีเงินน้อยไม่พอใช้พอจ่ายก็คิดทำยังไงหนูเราจึงจะมีเงินมีทองมากพอใช้พอจ่ายเอา้าเลี้ยงลูกลูกใหญ่มาแล้วไปโรงเรียน ไม่มีเงินจะเสียค่าเล่าเรียนให้เขาก็เดือดร้อนแล้ว เ, เรียนเสียขั้นประถมก็ยังชั่วหน่อยนะไม่มากเท่าไรไปถึงขั้นมัธยมแล้วก็เอาแล้วมากขึ้นแล้วนี่ถ้าหากว่าส่งเสียให้เรียนถึงขั้นอุดมยิ่งได้เสียเงินหลายนี่นั่นเองกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นทูต ก, กับลูกอยากให้ลูกได้ดีมีสุข อย่างนี้แต่ละบุญตัวน้อยแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นก็ละทมทุกข์เท่านั้นในจิตใจลองคิดดูให้ดีเป็นอย่างนั้นแหละเรื่องกามคุณคนะเรื่องบุคคลผู้ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกนี้นะมันเป็นไปเพื่อทุก โดยส่วนเดียวเลยเอา้ามันไม่มีสุขเลยหรือมีอยู่มีก็เหมือนไม่มีกพมีสุขมาหน่อยหนึ่งแล้วทุกข์ผัดมาทับถมอย่างนี้แล้ ว, แ ล, วแล้วจะถือว่าความสุขอันนั้นเป็นแก่นเป็นสารได้ยังไงอะ่ะ น, นี่นะี่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆชีวิตเกิดมาในโลกนี้นะจะเป็นนักบวช ก, ก, ก็ตามเป็นคระลือหัก็ตามนีลย อันเรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่นะต่างแต่มากแต่น้อยกากันเท่านั้นเองแต่ว่าทุกประจําแล้วไม่มีใครเกินกาใครหรอกทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายนี่อันนี้นี่มันมีประจําอยู่ทุกรูปทุกนามเลยอย่างนี้นะพี่นาดูให้ดีไม่เลื่อมล่ำตามสงกวกันเลยเกิดมาแล้วนะ เมื่ออยู่ในวัยหนุม่มตั้งแต่อายุยี่สิบปีไปถึงสามสิบปีสี่สิบปีนี่เออก็ยังกระซุ่มกระสวยอยู่ร่างกายนะก็ยังแข็งแรงพอทำการทำงานได้พออายุย่างเข้าห้าสิบปีเข้าไปแล้วเอาเนี่ยร่างกายมันเริ่มชุดโทมไปแล้วบางคนยังไม่ถึง ห้าสิบปีนะขนาดอยู่ในระหว่างสามสิบสี่สิบปีนี่ฟันก็หล่อนไปแล้วก็มีอ่าผมก็งอกไปก็มีอย่างนี้นะแล้วโครคภัยเบียดเบียนร่างกายก็อ่อนแอท่อแท้ในการในงานอย่างนี้มันมีอยู่นี่นั่นแหละมันจะมีแกลนสารอะไรแล้วร่างกายอันนี้ การที่ไปสเสวงหากรรมคุณน่นะมันก็เพื่อท้องการสัมผัสนี่เองนะสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจกายก็ให้ได้สัมผัสอของละเอียดอ่อนนุ่มนิ่มที่นอนหมอนมุ้งก็นีก็ใช้ทอผ้า ได้ที่นอนอย่างหนาอ่อนนุ่ม อ, อ่างนี้เนี่ยแล้วรูปอื่นๆที่มีจิตของใจของก็ต้องการรูปสวยๆงามๆ อ, อันหมูนี้นะความต้องการของจิตนี่นะลองคิดดูให้ดีเมื่อมันได้มาแล้วนะมันเป็นยังไงอะ อย่างที่เรามองดูคนอื่นเขาเป็นมาว่าได้แล้วได้สมประสงแล้วอันใดก็สวยสวยงามงามแล้วนานไปมันก็เป็นไงอะ่ะนานไปก็ํำรุดทรุดทอมไปไอ้ของที่สวยสวยงามก็กลายเป็นของที่ร้ายไปก็ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยคนเรามันจึงเกิดมีหลายใจขึ้นมาผู้ครองเรือนทั้งหลาย พอได้รูปนี้มาแล้วรูปนี้ชำรุดชุดทรมไปแล้วผัดเกิดไปเห็นรูปใหม่เพลงปังเข้าไปผุเกิดอยากได้ขึ้นมาอ้าวก็ดิ้นลนสเสวงหาไปเหตุนั้นคนเราถึงได้มีเมียหลายคนมีผัวหลายคนอย่างนี้ก็บพวกตันหาราคะความกำหนาดยินดีนี่แหละมันท่วมท้นจิตใจมาก เพราะกามคุณเป็นของไม่เที่ยงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอจิตใจที่ไปผูกพันอยู่ในกรรมคุณมันจึงเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดยัง้งเลยเมื่อได้สิ่งนี้มาแล้วสำรุดทุทมไปแบบอยากได้สิ่งอื่นมาอีกเห็นสิ่งอื่นดีกว่านี้ก็อยากได้อีกความอยากพระพุทธเจ้ายังสัตว่านาัตถิตันหาสมานาที แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนี่นั่นแหละแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำนี่มันยังรู้จักแห้งเป็นหนาดูแม่น้ำน้อยใหญ่ต่างๆแล้วดูแล้งมันแห้งลงไปอย่างนี้เมื่อดูฝนผลตกลงมาจึงก็มีขึ้นมาแต่ว่าตัณหาความอยากในจิตใจของมนุษย์เต่านี่ไม่มีสิ้นสุดเลย ไม่มีบกไม่มีพร่องถ้าหากว่าผู้นั้นไม่ปฏิบัติธรรมไม่สร้างคุณธรรมอันดีงามขึ้นในใจแล้วมีแต่ใจว่างๆอยู่เนี่ยตัณหามันย่อมมีอำนาจครอบงาจิตใจได้ทำให้จิตใจไม่มีอิสระอิสระเสรีอย่างว่านันเลยมีแต่ความอยากชว น, นชวนไปทำอันนู้นชวนไปทำอันนี้ ชวนให้สะสมอะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดได้ล้านหนึ่งแล้วก็อยากได้สองล้านได้สองล้านแล้วก็อยากได้สิบล้านยี่สิบล้านร0อยล้านพันล้านไปนูน่นความอยากไม่มีสิ้นสุดจริงๆนะคิดดูให้ดเีเมื่อได้มาแล้วก็ต้องรักษ า, ากลัวจะสูญจะหายเป็นทุกข์เพราะการแสวงหานั่นก็พอแรงอยู่แล้ว ได้มาแล้วพอเป็นทุกข์กับการรักษาการใช้การจ่ายการค้าการขายลงทุนไปกลัวขาดทุนเนี่ยบางทีก็เลยขาดทุนไปซ้ำก็เป็นทุกข์เดือดร้อน อ, อย่างนี้แหละเวลาที่รู้ว่าตัวนั้นเจ็บหนักลงจะพัดภาจาก สมบัติอันเป็นที่รักใครพอใจเหล่านั้นแล้วก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายนี่นะบางทีก็สมบัติเหล่านั้นมามีมีอันเป็นไปสูญหายไปโดยอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอืมอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอทุกข์ทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงนะขึ้นชื่อว่ามีความเกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมมีความแปรปรวนและแตกดับไปทั้งที่มีวิญญาณคองก็ดีไม่มีวิญญาณคองก็ดีมันก็มีสภาวะเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยเมืเ่อเป็นเช่นนี้นะไอ้ผู้ที่มาปฏิ ญ, ญาณตนเป็นสาวกของพระพุเทธเจ้าและอย่างนี้นะไม่ควรที่จะไปปล่อยจิตใจของตนให้ตกเป็นทาส ของตันหาอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมบัญญัติในเพื่อสกัดกั้นที่เละตัณหาภายในใจิตใจของผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสานากด็ดีไม่ได้บวชกว็าตา ม, มเมื่อเรายินดีปฏิบัติตามให้เต็มที่แล้วอย่างนี้นะ ที่แหล่ตัณหาเหล่านั้นก็ครอบงำจิตใจไม่ได้ครอบงำไม่ได้จริงๆนะนั่นนะอย่างเช่นว่าให้สำรวมอินทรีย์หอกอย่างนี้นะสำรวมตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาตาได้เห็นรูปเป็นตน้นอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติตามจริงๆ มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตใจตัวเองเส ม, มอไปเมื่อตาได้เห็นรูปสวยๆงามก็พิจารณาเสียว่ารูปนั่นมันกะถึงแม้สวยงามมันก็ไปเที่ยงมันก็แตกก็ดับและทั้งทั้งสวยงามแต่ภายนอกภายในแล้วไม่มีอะไรสวยงามเลยมีแต่ผิวนอกนี่แหละที่เราอ โทษกันว่ารูปนี่ขี้ร้ายอย่างนี้ก็เพราะมันผิวคล้ำผิวดําอ่าเท่านั้นะสวดทงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมกับความนิยมของของคนก็เลยว่ารูปนั่นขี้ร้ายอืมองเห็นแค่ผิวนอกนี่แหละอย่างนี้นะอะรูปได้สีขาวนวลเข้าไปสวดทงก็ได้สัดได้ส่วนนะะี่กะ รูปนี่สวยงามแท่ที่จริงแล้วเรามองเห็นแต่ภายนอกเท่านี้นะว่าสวยงามนะจิตมันหลงมันไม่ได้พี่นาให้ละเอียดถ้าว่าสมมติว่าลอกหนังนั้นออกไปอะไรอย่างนี้มันจะเป็นยังไงอะส่วนในเข้าไปในหนังเข้าไปเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกอ่าแล้วเป็นน้าเหลืองน้าเลือดน้ำน้อง เป็นน้ำมูกน้ำลายน้ำมูดเป็นอุจจาระอะไรไปอย่างนี้นะเราชำแหละออกมาดูซิแล้วมีอะไรละสวยงามอะ่ะในเข้าไปนั่นนะนั่นแหละเราภาวนาอย่าไปนั่งงกงกงเงา น, านอนอยู่เฉยๆสามรวมใจให้แน่วแน่แล้วก็ต้องเพ่งร่างกายนี่ ไปให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงให้ได้อืมเมื่อเราเห็นภายในนั่นมันไม่สวยไม่งามแล้วมันก็คลายความรักความใคร่ลงได้มันเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ที่ไม่ได้เพ่งพี่นาะไม่ได้แยกแยะร่างกายนี้ออกแล้วไปทําความแต่พอใจอยู่กับผิวหนังนอกๆนี่ยราคะทันหามันก็ไม่เบาวางออกไปเลยอืม นั่นแหละผู้กรองเลือนทั้งหลายมันถึงได้ประพฤติผิดศีลข้อที่สามกามเมสงิชาจารไปเล่นชู้จากครัวจากเมียก็เพราะมันไม่ได้พี่นาร่างกายนี่ให้เห็นตามเป็นจริงสักหน่อยเดียวเลยเราไปหลงติดอยู่แต่ผิวนอกนั่นแหละเอาเดี๋ยวกับเขาตกแต่งเข้าไปเอาตุ้มหูใส อ่าสร้อยคอใส่สร้อยข้อแขนใส่เข้าไปอ่าอย่างนี้นาฬิกาข้อเรือน ง, งามๆเข้าไปแล้วก็มีผ้าสีหลากหลายใส่เข้าไปมองเห็นเข้าไปแล้วหูมันใจสั่นเข้าไปเลยแม้สวยจังพนนว่ะนี่แหละความหลงนะขอให้เข้าใจ ให้ตื่นตัวกันอย่าไปหลงจะไปหลงสิ่งหลอกตาลวงใจทำไมอ่ะพระพุทธเจ้ายังสอนในพิรนาในกรรมฐานนะอุปทายรูปรูปอาศัยนี่มหาภูตะ ร, รูปรูปใหญ่ก็ได้แก่ท่านวันนี้ท่าทั้งสี่นั่นแหละ เมื่อมันรวมกันเข้าแล้วด้วยอำนาจบุญกรรมตกแต่งก็ให้เกิดเป็นรูปเป็นกายมีอวัยวะน้อยใหญ่ดังที่เราเห็นกันอยู่รู้กันอยู่นี่นะเนื้อวันนี้ไอ้ผิวนอกเนี่ยมันก็เลยบุญกรรมกระตกแต่งให้เกิดเป็นสีเหลืองสีแดงขึ้นมาเท่าว่าสีเนื้ออะไรอย่างนี้นะ อันนี้ท่านเรียกว่าอุปทายะรูปแปลว่ารูปอาศัยมเมื่อมหาภูตะ ร, รูปคือรูปใหญ่นะั้นไม่เที่ยงแล้วอุปทายะรูปรูปอาศัยมันจะเที่ยงยังไงอ่ะเมืม่อรูปใหญ่นั้นมันวิบัติแปรปรวนลงไปไอ้สีสันวันนะ้มันก็สูบซีดลงไม่ไม่คงที่อยู่แล้วนี่แหละ เนื้อหนังมังสาอันใดก็เหี่ยวยานลงไปควานก็โยกก็ครอนก็หลุดก็รลอนออกไปคมก็งอกก็ขาวเข้าไปตาก็มัวหูก็อื้อตาดูอะไรก็ไม่ชัดแล้วหูได้ฟังเสียงอะไรถ้าคนพูดค่อยๆก็ไม่ค่อยได้ยินท่าเลย ฟังเสียงอะไรก็ไม่ชัดไม่เจนเลยอลองคิดดูสิพี่นาดูว่าไอเร า, างังหนุ่มย่างแน่นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปร่างกายนี่ยอย่าไปคิดต้องคิดให้เห็นตามความเป็นจริงการเวลาการเวลาล่วงไปล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่การเวลาเท่านั้นร่างกายอันนี้กร่วงโรยไป กำลุดทุดทรมไปตามกันแล้วร่างกายอันนี้เนะี่ยทั้งไม่เที่ยงด้วยแล้วก็ทั้งบำรุงรักษาแสนยากแสนลำบากต้องได้หาอาหารที่มันเหมาะกับรูปกายอันนี้จะพึง่งจะพึ่งอาศัยมาบริโภคเข้าไป ไม่ใช่ว่าคว้าได้อะไรก็เอามากินได้เลยนี่แหละสายเหตุที่มันจะยากลาบากการที่ได้รูปได้กายอันนี้มานะ่ถ้าอาหารไม่ถูกมันก็หม่ไหวมันก็ยิ่งสำรุดสุดทมแล้วต้องพยายามหาอาหารที่มันถูกกับธาตุนี้ไม่มีเงินก็ไม่ได้ซ้ำเนี่ยนะมีเงินน้อยก็ไม่พอใช้พอจ่าย คือหาอาหารมาบริโภคนี่มันแสนยากแสนลำบากขนาดไหนการพนุบบำรุงร่างกายอันนี้นะต้องพิจารณาดูเราต้องพิจารณาหลายแง่หลายมุมมุมประกอบกันเข้ามามันยังจะเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายส่วนมากคนน่ะปกปิดความจริงไว้ ไม่ต้องการเปิดความจริงเลยนี่แหละจิตใจนะ่ะปกปิดไว้ไม่คิดนะไม่คิดไปพิจารณาไม่เพ่งดูไม่เปิดความจริงออกมาให้จิตจิตรู้จิตเห็นแต่พูดถ่าภ า, ายนอกแล้วก็มีผ้าหนุ่งผ้าหม่มหลากสีมาปกปิดไว้ร่างอันนี้นะ มันยังพอดูกันได้เท่านั้นเองนะถ้าหาความไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มมาปกปิดไ้นี่มันดูกันไม่ได้หรอกก็รองดูให้ดีอืเพราะฉะนั้นแหละเราต้องตื่นกันคำว่าภาวนาพุทโธนะนะ่ะพุทโธแปล ว, ว่าผู้ตื่นพูดเบิกบานก็ตื่นต่อเรื่องความหลงความเข้าใจผิด ในร่างกายสังขารดังกล่าวมานี่แหละโอ้แต่ก่อนมาเราหลงเรามาหมู่สำคัญว่ารูปร่างอันนี้สวยสดงดงามเมื่อมาภาวนาทำจิตให้สงบเข้าไปแล้วแหงดูแลอย่างนีม้มันไม่มีอะไรสวยงามสักหน่อยเดียวเลยลก็ตื่นตัวกันเข้าก็คลายความรักความใคร่ลงนี่ อย่างนี้แหละก็ลองพิจารณาดูให้ดีคำสอนของอุตรเจ้านะสอนให้คนพ้นทุกข์จริงๆนะเอเอมันก็พ้นที่เมื่อจิตใจเห็นแจ้งรูปร่างกายนี่ทมเป็นจริงเนยะมันก็คลายความยึดความถือไม่ยินดีไม่ยินร้ายออลงไป เมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วมันก็เป็นอุเบกขาก็วางเฉยลองอาศัยร่างกายอันนี้อยู่แต่ไม่ยินดียินร้ายกับร่างกายอันนี้แนละ้วมันจะเป็นยังไงบะนี้นะอ้ามันก็เป็นสุขสบายสิฮะ น, นี่ น, นั่นเนี่ยร่างกายอันนี้วิบัติแปรปวนไปก็ไม่ทุกข์ไม่โศกร่างกายอันนี้สมบูรณ์พูนศุก โรคภัยก็ไม่เบียดเบียนก็ไม่อ้วนนักก็ไม่ผอมนักกินได้นอนหลับอย่างนี้ก็กําหนดรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างนี้นี่ว่าถึงแม้ว่ามันจะกินได้นอนหลับจับทาอะไรต่ออะไรได้ตามประสงค์แต่แล้วมันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละเอาไม่เที่ยงยังไงอ่ะ ก็มาลองคิดดูสิทำงานหนัหนกๆเข้าไปก็เหนื่อยไม่ใช่เลอนั่นก็เหนื่อยอ่อนเพลียลงไปไม่ได้รับประทานอาหารตามเวลาก็หิวโหยอ่อนเพลียเนี่ยลองคิดดูอ่ะันนี้ไม่ได้หลับได้นอนสักคืนสองคืนเอาแล้วอ่อนเพลียละเหี้ยใจเข้าไปแล้วนี่ย เมื่อบุคคลมีสติสมบัติชนะรู้ตัวอยู่พิจารณาความเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้อยู่ใกล้ชิดอยู่นี้นะมันก็ย่อมลงความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงตามที่พระพุทเจ้าแสดงไว้นั่นนะนะมันก็เป็นความจริงเลยเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปยินดีพอใจอะไรกับรูปร่างอันไม่เที่ยงแท่แ น, น่นอนนี้อืม ก็ใช่อุบายปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปเมื่อมันเห็นแจ้งนี่แล้วจิตนี่มันก็เห็นตามปัญญาที่แนะนำสั่งสอนตัวเองนั่นแหละแล้วมันก็คลายความกามหนัดยินดีออกไปเลยเรื่อยจิตก็เป็นอิสระเสรีอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังไม่แม้จะอาศัยร่างกายนี่อยู่ ก็ไม่ได้เป็นทุกข์กับร่างกายอันนี้จึงได้เรียกว่าจิตมีอิสระนั่นเองให้เข้าใจความมุ่งหมายของการเจริญธรรมะวิปัสสนาก็เพื่อที่จะฝึกจิตตรงนี้และให้มันมีอิสระโดดเด่นอยู่โดยลำพังม่ให้มันตกเป็นท่าแต่งสัญหาไม่ไปทุกข์ไปร้น ไปผูกพันพอใจแต่ในของไม่เที่ยงสำคัญแต่รูปกายนี้ว่าเป็นของทัวของตนว่าสวยว่างามาก็เมื่อมันวิบัติแปรปวนไปแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนกับมันอย่างนี้นะนี่แหละเราความประสงค์ของพระเจ้านะทรงสอนมนุษย์ทั้งหลายให้มีจิตใจเป็นอิสระจากของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนเหล่านี้ ดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสอนให้ทําใจสงบเป็นเบื้องต้นเลยไปเดียววันนี้การที่จะใจนี่มันจะสงบจากบาปอากุศลลงไปได้ก็เพราะว่ามันสํารวมในบาปอากุศลต่างๆไม่ทําไม่ทําบาปด้วยกายมีข่าศัตร์เป็นต้นไม่กล่าววาจาพูด โกหกพกกลมพูดเท็จต่างๆมีกล่าวว่าจะเท็จเป็นตน้นเว้นกล่าวแต่คำจริงพูดแต่คำอ on ่อนหวานพูดแต่คำสมานไมตรีอิดกับผู้อื่นเรื่องใดไม่เป็นประโยชน์ไม่เอามาพูดไม่พูดเล่นพูดเพื่อทำ เรื่องใดพี่นายเห็นว่า เ, เรื่องนี้ไม่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังหรอกอย่างงี้นะก็ไม่ต้องออกมาพูดมันจะปรากฏในจิตใจก็ไม่เอาระงับเลมแต่พี่นาเห็นว่าเรื่องใดนี่เมื่อพูดไปแล้วผู้ฟังก็ได้ความรู้ความเข้าใจอย่างนี้แล้วแล้วก็ไม่ผิดต่อศิลต่อวินัยเลยอย่างงี้จึงค่อยพูดมันพูดแต่พูดพอประมาณอ พูดไปก็ต้องรู้จักการเวลารู้จักพอดิบพอดีถ้าพูดเกินประมาณไปถึงแม่พูดดีก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยได้ประโยชน์คนฟังก็เบื่ อ, อเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องเป็นผู้ฉลาดในการพูดการจาอาะ กลัวแต่ความผิดกลัวแต่พูดผิดแล้วไม่อยากพูดอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเราต้องหัดพูดพูดไปแล้วก็มีสติระมัดระวังไปถ้ามันเผลอพูดผิดพูดพลาดไปเอา่าแล้วก็แล้วไปเอาตั้งสติสำรวมใหม่เราพยายามฝึก ตนไปอย่างนี้นา น, านไปการพูกระจา ม, มันก็เข้าร่องเข้าร้อยมันก็ไม่ผิดไม่พลาดมันชำนี้ชำนานแล้วอย่างนี้แหละบางคนเน่เรื่องที่ควรจะพูดก็ไม่กล้าพูดกลัวมันผิดอย่างนี้แหละนั่นเรียกว่าเป็นผู้ที่ยังไม่คิดว่าจะฝึกตนอันนั้นแบบนั้นนะถ้าผู้คิดจะฝึกตนแล้ว ไอความถูกมันก็มาจากความผิดนั่นแหละเมื่อมันไม่รู้ว่ามันผิดแล้วมันจะรู้ถูกได้ยังไงอ่ะอืมเรื่องนี้แหละดังนั้นเมื่อมันทำผิดพูดผิดลงไปมาพิจารณาดูภายหลังว่าอืมไอสิ่งที่เราทำไปนั่นเราพูดไปนั้นมันผิดอ่ะผิดคำสอนของพระเจ้าอย่างนี้ เราต้องมีคำสองพุทธเจ้าเป็นเครื่องเปรียบเทียบนะการทำการพูดนะอ น, นั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปเดาเอาว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกโดยไม่มีเครื่องเปรียบเทียบไม่ใช่ อ, อืมดังนั้นท่านยังสอนให้เรียนทำเรียนวินัยเรียนท่องบนจดจำเอาคำสองพุทธเจ้าไว้ในใจให้ได้ เมื่อเราจำได้ไว้ในใจได้แล้วอย่างเนี้ยเวลาจะทาอะไรจะพูดอะไรเราก็นึกว่าเรื่องที่เราจะพูดไปนี่นะไม่ผิดจากทำจากวินัยหลออย่างนี้นะมันก็รู้ได้เลยเนะพราะเราจำไว้ในใจแล้วนี่นะอย่างนี้แหละเช่นยกตัวอย่างเช่นว่ า, เ, าเราจะโกรธคอนอื่นอย่างนี้นะอ้าว พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าไงไอความโกรธเนี่ยมันนึกได้อย่างนี้อืมความโกรธนี่มันเป็นพิษเป็นภัยไม่ใช่มีคุณมีประโยชน์อะไรมีแต่โทษโดยส่วนเดียวเราไม่โกรธดีกว่าเราจะไม่ได้เป็นทุกข์และคนอื่นก็จะไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าหากว่ามันนึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่โกรธแล้วมันก็อดกั้นทนทานไปเดี๋ยวความโกรธนะั้นมันก็ระ ง, งับไปอย่างนี้นะ นี่แหละคนมีความรู้อยู่ในใจแล้วมันก็เหมือนเรามีตาสองข้างไม่บอดไม่บัวอย่างนี้แหละไปไหนก็มองเห็นวัตถุสิ่งของนั้นนั้นได้ชัดเจนเลยองูพิษเมื่อเห็นก็แล้วก็เว้นมันนะถ้าตาไม่เห็นแล้วไปเหยียบมันมันกัดเอานี่นะ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเละเมื่อใจบุคคลบอดแล้วไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรไม่ได้ท่องบวชจดจําเล่าเรียนเอาความรู้ในธรรมในวินยัยอะไรอย่างนี้นะตนทําอะไรผู้ใด ไ, ไปมันทําด้วยความไม่รู้และเพราะว่าเมื่อมันไม่เรียนรู้คําสอนพระเจ้าแล้วบางสิมงบางอย่างก็ไม่รู้ สิ่งนี้เป็นบาปเป็นโทษนําทุกมาให้แก่ตนและผู้อื่นมันก็ไม่รู้ไม่รู้มันก็ทําไปพูดไปมันก็เป็นบาปเป็นโทษเลยนําความเดือดร้อนความทุกขมาให้แก่ตนและผู้อื่นไปเรื่อยไปอย่างนี้นะอืมเพราะฉะนั้นแหละการฝึกฝนจิตใจนี่นะจึงชื่อว่าเป็นสิ่งจําเป็นมเมื่อ กล่าวโดยสรุปใจความแล้วเพราะใจดวงเดียวเท่านี้ที่เป็นสิ่งสําคัญนะอืมใจดวงเดียวเท่านี้เป็นสุขเพราะการละชั่วทําดีใจดวงเดียวเท่านี้เป็น ท, ทุนนกข์เพราะทําความชั่วละเสียซึ่งความดีไม่ทําความดีใส่ตนอ สะสมแต่กรรมชั่วใช่ตัวคิดตรงนี้เป็นผู้เสวยผลแห่งกรรมชั่วนั้นคิดดูให้ดีไอ้ร่างกายเนะี่ยมันเป็นผลแห่งบุญกรรมบาปกรรมที่บุคคลทามาแต่ชาติก่อนนู่นมันติดตามมาตกแต่งให้อายุชาติของมารดาบิดาบุญกรรมตกแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้ว ได้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นเราจะไปดัดแปลงตกแต่งให้มันดีกว่านี้ไม่ได้หรอกแล้วร่างกายนี้ก็ตกบังเกิดขึ้นมาด้วยาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันไม่เที่ยงแล้วนี่ มันก็เปรียบวรไปมันก็แตกดับไปอย่างนี้นะน่ารยิไปสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นของวิเศยวิโสอย่างไรได้ล่ะลองพิจารณาดูให้ดีให้จริงๆริเลยประเดียวนั่นนะส่วนจิตตรงนี้นะ่ะเมื่อหากว่าละกิเลสละความโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตนี่แล้ว หรือว่าให้หมดไปสิ้นไปแล้วไอ้จิตดวงนี้มันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนมันก็ไม่หลงไหลไปทำความชั่วอะไรใส่ตัวเลยเม่แม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีมันก็รักษากายรักษาวาจานี่ให้บริสุทธิ์พุทธพ่องจากบาปจากโทษได้เนี่ยแล้วก็รู้เท่าร่างกายตามเป็นจริงแล้ว บัด น, นี้เมื่อเวลาร่างกายนี่มันมวิบวับแปรปรวนแตกดับลงไปจิตดวงนี้มันก็ไม่ไปหาที่เกิดใหม่อีกแล้วถ้ามันละกิเลสให้หมดสิ้นไปจริงๆเนะียท่านก็เรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานหมายความว่าจิตดวงนี้ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกิดไม่มีที่อาศัยเลย เรียกว่าเป็นหนึ่งมีไม่มีสองนะธรรมชาติรู้อันนี้นะ่ะเป็นหนึ่งอยู่เท่านั้นเองนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรอ่ะอันที่มันลุกมันทุกข์มันร้อนอยู่นี้เพราะมันอาศัยของไม่เที่ยงอยู่นี่นะขอให้เข้าใจมันอาศัยของไม่เที่ยงอยู่มันจึงทุกข์จึงร้อนอเป็นอย่างนั้น ผู้มีปัญญาได้ทำใจสงบระงับแล้วเจริญปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ผู้นั้นจึงรักษาจิตดวงนี้ไปเลื้อยไปทุกียบทยืนเดินนั่งนอนก็มีสติสัมปชัญญะรู้จิตตัวเองว่าตั้งมั่นอยู่หรือว่าวันไหวไปอย่างไร น, นี่นะก็รู้ตัวอยู่เนี่ย เมื่อรู้ตัวรู้จิตนี่อยู่ในรักษาจิตอยู่นี่เรื่อยไปจิตมันก็ไม่หลงไหลไปสร้างกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจต่อไปนี่หละเป็นหนทางพ้นทุกข์ภายในมัตฐสงสารดังแสดงมา